พระพุทธองค์จำแนกคนเป็นสามประเภทท่านเปรียบเหมือนคนตาดีคนตาบอดนะคนตาบอดสองข้างก็หมายถึงคนที่ไม่รู้จักหาทรัพย์เพื่อมาเลี้ยงตนให้สุขสบายแล้วก็ไม่ รู้จักอริยสัพย์คือการได้รู้จักธรรมะเพื่อทำให้มีความทุกข์น้อยลงอันนี้เรียกว่าตาบอดสองข้างพระพภทธที่สองที่เป็นคนที่ตาดีข้างหนึ่งก็คือว่าปฏิบัติธรรมนะจน ได้พบอริยทรัพย์แต่ว่าไม่รู้จักแสวงหาทรัพย์เพื่อเลี้ยงตนให้มีความสุขประเภทที่สามนี่เรียกว่าตาดีสองข้างก็คือเรื่องความสุขทางโลกก็ทำให้เกิดขึ้นกับตนได้เพราอรู้จักหาทรัพย์แล้วก็ ขนาดเดียวกันก็มีอริยทรัพย์ที่ทำให้มีความสุขใจความสงบเย็นได้อันนี้เราก็ลองพิจารณาตนกันแล้วกันว่าเราอยู่ในประเภทไหนถ้าให้ให้ดีเ็าเรียกว่าตาดีทั้งสองข้างเนี่ยดีที่สุด ีิยังต่ำๆก็ตาดีข้างหนึ่งอันนี้คงจะการอุปมาอุปมานี้ก็คงจะเหมาะกับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนแต่ว่าก็ใช้ได้คนทั่วไปแสดง้เห็นว่าพระพุทธองค์ก็ถือว่าเรื่องของ การเลี้ยงตนที่มีความสุขก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือการรู้จักสร้างอริยทรัพย์ก็คือการเข้าถึงธรรมะที่สามารถจะทาให้ตนพ้นทุกข์ได้ทรัพย์ทางโลกนี่ก็สาคัญนะแต่ว่าที่สาคัญกว่าคือทรัพย์ทางธรรม หรืออริยทรัพย์แล้วถ้าจะเลือกแล้วนะก็ขอให้เราเลือกอริยศทรัพย์นะอย่าไปหวงแหนทรัพย์ที่มันเป็นเงินทองวัตถุเพราะว่ามันก็ให้ความสุขแต่เพียงชั่วคราวและถึงเวลาจะละจากโลกนี้ไปก็เอาไปไม่ได้แม้แต่น้อยนะผู้ฉลาดนีท่าน ก็จะถือว่าอริยสัพน์นี้สำคัญกว่าถ้าต้องเลือกแล้วนะก็ต้องเลือกอริยสัพแม้จะต้องสูญเสียทรัพย์ทางโลกไปก็ตามนายนาสายพุทธการแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์อริยสัพน์นี่แหละ เป็นเรื่องของเศรษฐินีนะชื่อนางกาติยานีเป็นคนที่ตั้มรวยแล้วก็ไฝ่ธรรมวันหนึ่งก็มีพระโสนนะนะพระโสนะกุติกันนะคนองค์กับเมื่อวาน <c oughs> เมื่อวานนี้โสนเะหมือนกันแต่โสนกุลิวิสสะท่านก็มามาแสดงธรรม นางกาติยานี่ก็มีศรัทธามากนะก็เลยไปไปฟังธรรมตอนนั้นเป็นเวลาค่ำระหว่างที่ฟังธรรมอยู่เนี่ยก็เพอเอินนะหรือว่ามีการรู้กันอยู่แล้วนะก็มีโจรนะก็เรยกโจรห้าร้อยนะก็คือจำนวนมากก็เข้าไปปล้นบ้านของนางซึ่งตอนนั้นไม่มีใครอยู่เลยเพราะว่า คนใช้หรือนางท่านนี่ก็มาตามนางกาติยานีมาฟังธรรมด้วยแต่บังเอิญระหว่างที่ฟังธรรมนี่นางกาติยานีก็บอกให้คนใช้เนี่ยไปกลับไปที่บ้านไปไปตามประทีบก็คือไปจุดเทียนนั่นแหละเอาไว้คนใช้กลับไปที่บ้านก็ เห็นโจรกําลังป้นซัพย <society> ์ก <submarine is amazing> ํา <jako> ล <CSS> ังขนถ่ายนะทรัพย์สินเงินทองก็รีบพิ่งมาบอกนางกาติยานีนางกาติยานีตอนนั้นกําลังฟังธรรมอยู่พอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านของนางก็บอกคนช้ว่าอย่ามารบกวนอย่าเพิ่งมารบกวนตอนนี้กําลังฟังธรรมอยู่ นานๆนนจะได้ฟังธรรมพวกโจรมันจะขโมยจะเอาอะไรไปก็เอาไปเถอะนะแต่ว่าฉันก็จะขอฟังธรรมนั้นาก็เลยไม่หวั่นไหวนะโดยหารู้ไม่ว่าหัวหน้าโจรเนี่ยดักซุ่มอยู่ใ ก, ใกล้ๆคอยดูอากับกิริยาของนาง แล้วก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดนางกลับไปที่บ้านก็จะดักฆ่ากลางทางเรียกว่าฆ่าเจ้าทรัพย์เพื่อไม่ให้ขัดขวางนะการาการพลนของตัวแต่พอนางเกิดกาติยาพูดอย่างนี้เนี่ยหัวหน้าโจรนก็ได้ยินก็เกิดศรัทธาละคนความสงสัยด้วย คือสงสัยว่าธรรมะสําคัญยังไงนะถึงยอมนางกาติยานีเนี่ยถึงกับยอมยอมสละทรัพย์สมบัติเพื่อเชได้ฟังธรรมหัวหน้าโจรมัไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับธรรมะก็ไม่เข้าใจว่าทําไมธรรมะสาคัญยังไงและขณะเดียร์ตนก็เกิดศรัทธาขึ้นมาว่าโอ้คนนี้นี่เขาก็เป็นผู้ใฝ่าธรรมนะไม่เสียดวงเสียดายทรัพย์สมบัติเลย ก็เลยได้คิดว่าตัวเองนี่ถ้าเกิดขืนไปขโมยบ้านคนแบบนี้นี่ตัวเองก็จะเดือดร้อนภายหลังก็เลยรีบไปบอกลูกน้องว่าข้าวของที่ขโมยไปนี่กลับเอาไปคืนเ็าได้แล้วอย่าไปขโมยบ้านนี้เลยแล้วก็ชักชวนลูกน้องนี่มามามาฟังทำ ก็มาแอบฟังอยู่นะอยู่ข้างหลังนะส่วนานางกาติยานีนี่ก็มีจิตเป็นสมาธิมากกับการฟังฟังธรรมจากพระโสนาเสร็จก็บรรลุธรรมเลยเป็นพระโสดาบันนะอันนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ชี้เห็นว่าถ้าเกิดนางกาติยานีหวงทรัพย์สมบัตินะ ก็คงจะไม่มีโอกาสได้บรรลุธรรมในคืนนั้นเรื่อจะไม่มีโอกาสเลยตลอดทั้งชีวิตที่จะได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็ยิ่งกว่านั้นคือว่าถ้าเกิด น, นางห่วงแหนทรัพย์สมบัตินะรีบกลับไปบ้านก็คงจะถูกฆ่านะเรียกว่าอริยทรัพย์ก็ไม่ได้แล้วก็ชีวิตก็รักษาไว้ไม่ได้ด้วย แต่ประเอินเพราะว่ามีความใฝ่ใจในธรรมก็เลยรอดชีวิตนะแล้วก็ไม่ได้แค่รอดชีวิตเท่านั้นแต่ว่ายังได้พบทรัพย์อันประเสริฐ ด, ด้วยนะคือเข้าถึงพระอริยทรัพย์ได้เป็นพระโสดาบันอันนี้จะเรียกว่าธรรมะคุ้มคองผู้ประพฤติธรรมก็ได้คือถ้าไม่ไ ม, ไ, มไม่ไม่ใฝ่ธรรมะหวงแหนทรัพย์นี่ก็คงตาย ก็คงได้ยินมาเยอะแล้วเนี่ยคนที่ถูกป้นถูกจี้แล้วก็เสียดายทรัพย์ก็ขัดขืนก็ถูกโจรฆ่าแต่ว่านางกาติยานีนี่ตรงกันข้ามใครจะเอาใครจะขโมยก็ขโมยไปฉันไม่สนใจอันนี้ก็เป็นข้อคิดสำหรับเราเนอะเออระหว่างทรัพย์กับอริยทรัพย์นี่เราจะเลือกอะไร ถ้าคนจำนวนมากก็ถึงแม้นั่งฟังธรรมอยู่ก็ตามแต่ถ้ามีถ้าร่วมมีคนมาขโมยทรัพย์สมบัติมาโคยเพชรินมาขโมยเ พ, เพชรเพชรนินจินดาก็นั่งไม่ติดแล้วฉันเหลือจะไม่ไม่ไม่ฟังธรรมต่อไปแล้วกลับไปบ้านดีกว่าไปปกป้องรักษาทรัพย์สมบัติเอาไว้ซึ่งก็อาจะหลงเออในการถูกฆ่าก็ได้ แต่ว่านางกตติยานีนี่เป็นคนที่ฝ่ธรรมะแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยก็รู้ว่าทรัพสมบัตินั้นไม่มีค่าเท่ากับอริยทรัพย์ที่จริงเรื่องนี้ยังไม่จบนะเพราะว่าโจนเนี่ยพอมานั่งฟังธรรมอยู่สักพักก็เกิดมีศรัทธาเรื่มใส่มีศรัทธาเรื่มใสก็มาพอแสดงพอฟังธรรมจบ ก็มาแสดงตัวกับนางกาติยานีแล้วก็สารภาพว่าตัวนี้เป็นโจรที่จะขโมยของทรัพย์สมบัติของนางแล้วก็เกิดศรัทธามากขอขอบวชเลยนะนางกาติยานีก็จัดการให้มาบวชกับพระโสนะนี่แหละแล้วก็ในที่สุดโจรทั้งกลุ่มนี้ก็ได้บวชแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรม ตนก็ทั้งได้เป็นพระอาหารหันต์นะอันนี้ก็เรียกว่าชีวิตพริกกับเลยนะจากคนที่ยอมทำชั่วเพื่อที่จะลักขโมยทรัพย์สมบัติของผู้อื่นกลายเป็นว่าได้มาคนพบพัฒ ธ, ธรรมไอ้โจนที่บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์มีเยอะนะไม่ใช่เฉพาะพระมคพระองคุลี ม, มานเท่านั้น คนที่นิสัยไม่ดีนิสัยแย่ๆนี่แต่ว่าสามารถจะบรรลุธรรมได้อย่างที่เคยเล่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเมื่อที่ที่แล้วว่าพรามที่คิดลายกับพระพุทธเจ้าดา่าคอยดา่าไม่ใช่นินทาอย่างเดียวคอยตามดา่าก็ยังสามารถจะบรรลุธรรมได้ในภายหลังถ้าหากว่าสำนึกผิดและพะคนเรานี่ก็มีพุทธภาวะอยู่ในตัวทั้งนั้นไม่ว่าเป็นใครก็ตาม น่าจะเป็นเด็กหรือจะเป็นคนเท่ า, าพูดถึ ง, เ ร, งเรื่องทรัพย์สมบัตินี้ก็มีอีกอีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นอุทาหรณ์ได้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐีนี่เหมือนกันนชื่อโสนาเป็นเศรษฐีที่มีความร่ำรวยมากนางมี ลูกชายเจ็ดคนผู้หญิงแล้วก็ลูกผู้หญิงอีกเจ็ดคนเป็นสิบสี่คนชีวิตก็มีความสุขมาโดยตลอดนะก็คิดว่าชีวิตคงจะมีความสุขอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละนะแต่ว่ามันก็มีความพลิกผันก็คือสามีตายสามีตายก็ยังพอทำเนาเนะีก็ยังเลี้ยงลูกต่อไปได้แต่พออายุมากเนี่ยลูกก็มามาทวงทรัพย์สมบัติ ลูกทั้งสิบสี่คนก็มาทวงทรัพย์สมบัติจากแม่ว่าทำไมแม่ไม่แบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกเลยหรือว่าแม่กลัวว่าลูกนี่จะเลี้ยงแม่ไม่ไดนะ้แม่นี้ก็คิดดูแล้วก็อายุมาแล้วเราก็ลูกมามาขอแบ่งทรัพย์สมบัติก็คิดว่าแบ่งให้ลูกไปเถอนะยังไงแล้วก็มีลูกเป็นที่พึ่งได้ก็แบ่งให้สิบสี่คนคนละเท่ากัน นะซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่ใจดีนะเพราะปกติก็แบ่งให้แต่เฉพาะลูกชายไม่แบ่งให้ลูกหญิงนี่แบ่งให้สิบสี่คนเท่ากันหมดพอแบ่งให้แล้วนะก็หวังว่าจะไปพึ่งลูกพอไปอยู่ลูกกับไปอยู่กับลูกคนโตลูกชายคนโตอยู่ได้สักพักลูกสะใภ้ ก, ก็ไม่พอใจก็ไปเป่าหูสามีว่าเนี่ยทำไมไม่ไปอยู่กับลูกคนอื่นบ้าง นะลูกคนหนึ่งก็ได้ทรัพย์เท่าๆกันเหมือนกันทําไมต้องมาเกานะกับลูกชายคนโตยอย่างเดียวลูกชายในที่สุดก็เชื่อแล้วมาบอกกับแม่ว่านะทําไมแม่ไม่ไปไปไปอยู่ ก, กับลูกคนอื่นบ้างไปอยู่กับลูกคนรองนะเพราะว่าก็ได้เงินเท่ากันไม่ใช่ว่าแม่ให้ลูกคนโตมากกว่าเนี่ยก็ไม่ใช่ก็พูง่ายมันก็ว่าไปให้คนอื่นรับภาระบ้าง แม่ก็เลยไปอยู่กับลูกคนรองอยู่ได้ไม่นานก็เจอปัญหาเดียวกันสุดท้ายเรียกว่าไปอยู่กับลูกทั้งสิบสี่คนก็อยู่ไม่ได้เลยเพึ่งไม่ได้สักคนทรัพสมบัติก็ไม่มีแล้วทำยังไงล่ะก็เลยนึกได้ว่าเออมีสำนักพิสูจน์นี่อยู่ใกล้ๆนะไปไหนไม่รอดแล้วนะคนที่มาบวชเพราะไปไหนไม่รอดนี่ก็มีนะยาง นางโซนาเนี่ยจากเศรษฐินีที่ร่ำรวยกลายเป็นชีวิตตกต่ำลืมนะแบบนี้นี่มันก็มีมาทุกยุกสมัยนะสมัยนี้ก็มีแม่เลี้ยงลูกมาได้ทุกคนแต่ว่าถึงเวลาลูกไม่มีคนไหนที่เลี้ยงแม่ได้เลยในสุดนางโซนาก็ต้องมาบวชเป็นภิกษุณีไม่ได้เพราะศรัทธาเลยนะ แต่เพราะว่าไม่มีที่ไปนะก็มาพึ่งมาบวชเมื่อแก่แล้วคนเขาก็ดูถูกนะแม้แต่พิสุจนนี้ด้วยกันก็ดูถูกนะเพราะว่านางก็ทำอะไรไม่ค่อยได้คือต้องมีการแบ่งงานกันทำนางก็ตั้งใจทำนะแต่ว่าอายุมากแล้วก็ทำอะไรก็ตกต ก, ตกหล่นหล่นก็เลยถูกสั่งให้ไปทำงานอ่า ทำงานที่ไม่ค่อยมีคนอยากทำก็คือไปตั้งน้ำร้อนในในครัวเพื่อให้พิสุน์นี้ได้มาอาบน้ำร้อนนี่เป็นน้ำร้อนเป็นเป็ น, ปนอ่างใหญ่เลยนะเพื่อให้พิสุจน์นี้คนอื่นได้อาบมังอันนี้ถือว่าเป็นงานเป็นงานแบบชั้นต่ำไม่มีใครทำไม่มีใครอยากทำนางโสนา น, นี่ก็เป็นคนที่ตั้งใจเมื่อมาบวชแล้วก็ ก็ตั้งใจปฏิบัตินะถึงแม้ว่าจะแก่จะงงงบนเงินนะก็ตั้งใจปฏิบัติแล้ววันหนึ่งในขณะที่กําลังตั้งน้ําอยู่ก็เห็นว่านะยังไม่ทันจะจุดไฟนะก็เห็นว่าเออยังมีเวลาอยู่นะเราก็อย่าประมาทเลยทําความเพียรดีกว่าก็เดินจงกรมอยู่ในโรงครัวนั่นแหละ เดินจงกรมนั้นด้วยความตั้งใจพระก่าพระพุทธองค์นิโสมีญาญอย่างถึงก็มาเสด็จมาเป็นนิมิตแล้วก็แสดงธรรมให้กับนางโสนาพระโสนานี่แหละจนกระทั่งระทท่านบรรลุธรรมเลยนะบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์อยู่กลางโรงครัวนั่นแหละในโรงครัวนี่อย่าไปอย่าไปดูถูกนะสามารถจะ สร้างพระอาหารหันต์ได้เหมือนกันในสายพุทธกาลนี่พระอาหารหันต์ที่บรรลุธรรมในโรงครัวก็มีอยู่นะก็พระโสรนานี่ท่านหนึ่งหละให้พวกเราอย่าไปดูถูกที่ใดก็ตามว่าไม่เป็นที่ควรในการปฏิบัติธรรมแม้แต่โรงครัวก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมได้แล้วบางท่านนี่เล่นกายกรรมอยู่นะ อยู่บนกลางอากาศนี่ก็ยังบรรลุธรรมกลาอากาศได้เลยอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นตัวอย่างที่ประหลาดมากแต่ว่าหลังค่อยไลฟ์ฟังก็แล้วกันนี่พระนางโสณพระโสนานี่ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่เพื่อนๆไม่รู้นะมาเห็นมาเห็นมาเห็นพระโสนากําลังเดินจงกรม ในขณะที่เตาน้ำในขณะที่อ่างน้ำนี่ยังไม่ไม่จุดไฟเลยก็ว่าก็ว่าพระโสนาท่านก็บอกว่าก็ตักน้ำได้แล้วภิกษุนีก็แปลกใจจะตักน้ำได้ยังไงยังไม่จุดไฟเลยแต่พอตักน้ำก็พบว่าออน้ามันร้อนนะนี่พราะท่านมีฤทธิ์แล้วพอเป็นพระอรหันต์ก็มีฤทธิ์ทำให้น้ำอุ่นน้ำร้อนได้อันนี้เพื่อนภิกษุนีก็เลยรู้ว่า พระโสนานี่เป็นพระอรหันต์แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนซึ่งมีเรียกว่าจำยอมต้องมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าทรัพย์ที่มีนั้นเนี่ยหมดไปละทรัพย์ทางโลกนี้ไม่เหลือแล้วแต่ในที่สุดก็มาค้นพบทรัพย์ทางธรรมคืออริยทรัพย์ได้ถ้าคนเรานี่มาบวช ด, ด้วยเหตุผลต่างๆกัน ไม่มีที่ไปก็เยอะแต่นั้นไม่สำคัญนะอยู่ที่ว่าเมื่อมาบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติหรือเปล่าจะอกหักหรือว่าจะเจ็บป่วยจะไม่มีที่ไปหรือเพราะหวังความสะดวกสบายหรือเห็นแก่กินมีทั้งนั้นนะในสายวัตการนี่มีทั้งนั้นมาบวชเพราะเห็นแก่กินก็มีหรือว่ามาบวชเพราะว่าไม่มีที่ไปแต่ว่าพอตั้งใจมาปฏิบัติ ทำมากค่อยๆซึมซาบเข้าไปแล้วก็เกิดความเพียรทัมื่วานนี้ก็พูดเรื่องความเพียรพระโสนานี้ก็ถือว่าเป็นเอตทัตข้าเรื่องความเพียร น, นะแม้ว่าแก่งงเงินเงินแลน้วนี่แต่ว่าก็ตั้งใจปฏิบัติงนั้นถึงที่สุดแล้วนี่แม้แต่วนะัยก็ไม่เป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติธรรมแม้แต่เพศก็ไม่เป็นอุปสรรคการปฏิบัติธรรมถ้าเป็นคารว่านี่ก็สามารถจะปฏิบัติธรรมแล้วก็เจริญก้าวหน้า กว่าพระได้ด้วยซ้ำมีพระมีคารวะที่เป็นพระอระหันต์ทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้บวชนี่เยอะมากนะแต่พอเป็นพระอระหันต์แล้วก็มาบวชนะแต่บางท่านก็ไม่ทันได้บวชก็เสียชีวิตก่อนอย่างอย่างพระพาหิยะนี่เป็นตน้นให้พวกเราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หลายคนก็ผ่านชีวิตมาเยอะแล้วนะอริยทรัพย์ทางโลกนี่เราก็มีแล้วนะ ตอนนี้ก็มาสร้างอริยทรัพย์กันอริยทรัพย์นี่ก็ทําได้หลายอยา่างส่วนใหญ่ก็เป็นหนักทางด้านศรัท ธ, ธาและการให้ทานหรือว่าการรักษาศีลนี่ต้องต้องมาที่การภาวนาบ้างนะภาวนาให้ให้เห็นนะให้เห็นให้เห็นทุกข์ชัดๆนะอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี้นะทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้ ไม่ใช่แค่ทุกกายทุกใจก็ต้องกำหนดรู้รู้แล้วก็ละไปละที่ไปละที่ไหนก็ไปละที่สมุทยัยคือตัณหาความอยากแล้วก็ความหลงหลงว่าเป็นตัวเป็นตนหลงหลงยึดมั่นถือมั่นว่านะมีตัวเราของเรามีตัวกูของกนะูถ้าไปไม่ถึงตรงนี้นี่มันก็ไม่ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกได้นะ ก็จะทำให้เกิดความยึดติดถือมัน่นไปยึดเอาทรัพย์นะว่าเป็นของกูถ้าไปยึดตรงนี้เนี่ยไม่มีทางนะหลุดพ้นหรือเป็นอิสระจากทรัพย์ได้เราคิดว่าทรัพย์เป็นของเราแต่พอเรายึดว่าทรัพย์เป็นของเราเท่านั้นแหละเราก็เป็นของมันทันทีเลยนะคนที่ยึดว่าทรัพย์เป็นของเร า, ท, าทันทีจ ย, ยึดติดถือมั่นเท่านั้นแหละ เขาก็กลายเป็นของทรัพย์ ท, ทันทีคือหวงแหนแล้วก็ยอมตายเพื่อรักษาทรัพย์เอาไวนะ้อย่างนางกาติยานีนี้ถ้ามีความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์ก็คงเสียดายทรัพย์แล้วก็พอถ้าเกิดว่าออกไปช่วยออกไปพยายามรักษาทรัพย์ของตัวเอาไว้ก็จะต้องตึงในความตายเป็นแน่นะ ล้วคนที่หลงยึดติดในตัวกูกของกูกนี่ก็กลายเป็นท่าของทรัพย์นี่เยอะแยะเป็นหมดอันนี้พระพุทธองค์ก็เตือนเอาไว้นะว่าการมีทรัพย์ตอนนี้ดีไม่ปฏิเสธนะการรู้จักหาทรัพย์โดยชอบทมนี่เป็นของดีประกอบสัมมาอาชีวะมีความเพียรเมื่อมีทรัพย์แล้วเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วก็ ร, รู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ ไม่ใช่เก็บเอาไว้ไม่แบ่งให้ใครรู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์เลี้ยงตัวด้วยเลี้ยงลูกหลานด้วยแล้วก็เลี้ยงสมณาชีพรามหรือว่าช่วยเหลืออุปถัมภ์ผู้ที่มีคุณงามความดีนะเพื่อส่งเสริมหรือว่าสืบทอดคุณงามความดีให้ยั่งยืนอันนี้ก็เป็นประโยชน์หนึ่งของทรัพย์นะ ในสาพธการก็มีผู้ใช้ทรัพย์เพื่อเหตุนี้มากมายเช่นนางวิสาขาหรือว่าอนาถปิตติกะกหาบดีจำนวนมากก็ใช้ทรัพย์ยเพื่อส่งเสริมความดีงามอุปธรรมพระสงฆนะ์ช่วยเหลือส่วนรวมแต่เท่านี้มันยังไม่พอนะจิตใจต้องไม่ยึดติดในทรัพย์ด้วยอย่าไปหมกมัวสยกมัวเมาในทรัพย์ ถึงแม้ว่าจะหาทรัพย์ได้อย่างถูกต้องชอบทมแล้วก็ใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ที่ยังยึดติดนะยังยึดติดถึงแม้จะบริจาคทรัพย์ให้คนอื่นบริจาคทรัพย์ให้ส่วนรวมก็ยังมีความเสียดายก็มีหรือยังอยากจะให้คนเขายกย่องนับถือว่าเราเราว่าเราเป็นคนใจบุญเวลาให้ทรัพย์ไข่ถวายทรัพย์หรือ ถวายอาหารถวายจีวรให้ใครก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นของเราของเราหลวงพ่อท่านจะฉันอาหารของเราไหมหลวงพ่อท่านจะฉันจีจะใช้จีวรของเราไหมอันนี้เรียกว่ายัางมีเยื่อใยยังมีความยึดติดในทรัพย์อยู่ถ้าคนที่สิ่งที่ควรทำก็คือว่าเมื่อให้แล้วก็ให้เลยนปล่อยวางไม่ยึดติดว่าเป็นของเราเราจะให้เราจะเบรศักเบรจากรัพย์เป็นจนํานวนมาก ก็ไม่สนใจว่าเขาจะจารึกชื่อเราว่าบริจรา克拉นหนึ่งสิบล้านหรือเปล่าในะเดี๋ยวนี้นี่บริจาคสิ บ, บาทร้อยบาทก็ยังอยากจะให้คนจารึกชื่อไว้นะเขียนชื่อไว้ตรงใต้จานบ้างตรงแก้วบ้างตรงขอบประตูบ้างหน้าต่างบ้างเดี๋ยวนี้มีชื่อคนบริจาคเต็มไปหมดนะบางทีก็เป็นความหวังดีของวัดนะแต่บางทีคนบริจาค ก, ก็อยากได้ชื่อ อยากให้เขียนชื่อเอาไว้อันนี้ก็ยังแสงว่ายังมีความยึดติดถือมันในตัวกูของกูยึดติดทั้งศรัพท์ยึดติดทั้งชื่อเสียงหน้าตาอันนี้ก็ไม่มีทางที่จะมีความสุขนะเรียกว่ายังมีความยึดติดอยู่แต่ถ้ามีอริยทรัพย์แล้วนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเลยเพราะรู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของลวงเป็นมายาภาพ ตายไปแล้วก็ออกไปไม่ได้แล้วขณะที่ยังมีชีวิต อ, อยู่ก็ถูกมันเผาล้นแล้วคนที่เป็นทุกข์เพราะทรัพย์คนที่ทุกข์เพราะเรื่องหน้าตาเรื่องศักดิ์ศรีนะมันมีเยอะมากนะถ้าเรารู้จักถ้า ร, รู้จักใช้เป็นประโยชน์ก็ดีไปแต่ถ้าไม่รู้จักใช้เป็นประโยชน์แล้วก็ยังเป็นทุกข์กับมันหรือเป็นยึดติดในสิ่งเหล่านี้ก็มีแต่จะทุกข์อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นนี่ก็ ให้พยายามขวนขวายนะสะสมอริยทรัพย์ทั้งมากๆๆแต่อริยทรัพย์นี่จะสะสมให้มากนี่มันต้องละนะยิ่งละยิ่งได้แต่ถ้าไม่ละนี่ยิ่งไม่ได้เหมือนกับเราเจริญสติต้องการความสงบในจิตใจถ้าเราทำแล้วแต่ละนาทีแต่ละนาทียึกนึกแต่อยากจะได้สติอยากจะได้สมาธิไม่ได้นะเพราะใจไม่ปล่อยใจไม่วางใจไม่ว่าง ต่อเมื่อใจปล่อยใจวางว่างอยู่แต่จอยู่แต่ปัจจุบันไม่สนใจผลที่จะเกิดขึ้นนะสิ่งที่สิ่งดีๆหรือธรรมะ ก, ก็จะบังเกิด ข, ขึ้นกับเราเรื่องการปฏิบททัติธรรมนี่ยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ไดนะ้ยิ่งอยากถึงก็ยิ่งห่างไกลยิ่งอยากได้ไวๆก็ยิ่งเนินช้าถ้าต้องวางใจให้เป็นนะ ให้อยู่กับปัจจุบันอย่าไปทำด้วยความหน้าดำคลําเคร่งอย่างที่พูดเมื่อวานเพียนไม่หยุดนะแต่ว่าก็ทำเล่นๆ เ, เอาละพ่อแม่ก็ได้เวลาอาราธนาศีล